สิโตจาวิหารตินาจักินกิโลเกอุปาฏิยติเหวันปิขคปิขเวปิขคธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติชาสุอาชาติกาปาหิเรสุอาญาตเนสุอายาตนะปปังโอ้หมดแหงเลย เสียงเอาเบาแพงนี่นั่งภาวนาสองชั่วโมงกว่าได้รับความสงบสงัดอะไรบ้างน้องนั่งภาวนาสองชั่วโมงกว่า สงบไหมใจสงบไหมมันไม่อยู่มันไปไหนมันงดหงิดกับอะไรใจ <c oughs> สงบยากหรือสงบง่ายอะไรมันดึงไปอะไรมันลากไปอะไรมันชักไป ตั้งอกตั้งใจทำไหมกำหนดจุดจอไหมหรือนั่งสงจิตล่องลอยไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบตรงไหนคือเราอะไรคือเราอะไรเป็นเราพยายามสร้างเจตจำนงให้เกิดขึ้นในใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธ มันเลื่อนๆมันเลือนรางมันจงังจางพุทธโธประคองพุทธโททธประคองจากโทไปหาพุทธจากพุทธไปหาโทมันไม่ให้มันคลาดสายตาไม่มันหลุดไม้หลุดมาอถ้าเราตั้งเจ็บจันงงอย่างนี้มันเป็นการปลุกสติก็เราให้ตื่นไมงั้นมันไม่ตื่นหรอก อางทีมันจางๆบางๆไม่รู้อะไรจับอะไรก็ไม่ได้จับอะไรไม่ถูก <c oughs> อย่าลืมปลุกตั้งเจดจำนองให้มันชัดเจนแล้วไป <c oughs> พุทธโทพุทธโทพุทโทรู้ทุกขณะที่ว่าพุทธที่ว่าโทจออยู่นั่นแหละฝึก ฝึกสติฝึกสติก็คือฝึกจิตฝึกสติฝึกจิตฝึกสมาธิในขณะเดียวกันฝึกปัญญาในขณะเดียวกันด้วยฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาความอดความทนวิทยะความภาคความเพียรอันนี้ช่วยตล่อมหลอมมารวมมาเป็นตะปาทธรรม เป็นเคร ah ื someplace. ่องแผลเผาแผละเผาอะไรแผลเผาอารมณ์พลังจิจนั่นแหละเมื่ออะไรโผล่มากรู้อะไรโผล่มากรู้อะไรโผล่มากรู้ก็หมดจดจอรู้อยู่อย่างนั้นแหละให้มันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เราว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ตัวรู้ตัวนี้มันดับไม่ให้มันดับไม่ให้มันลับไม่ให้มันเลือนไม่ให้มันลาง ให้มันจางทํำยังไงไม่ให้มันจางทําสติมันเด่ืองชัดถ้ามันจางถ้ามันจาง ก, ก็คือสติมันไม่ชัดมันเลือนเลือนลางๆงจางจางหายไปแล้วอ่าโมหะมันมาสวมรอยดึงไปแล้วโมหะมาสวมรอยเอาจิตไปเราไปแล้วไปถึงไหนก็ไม่รู้ไปถึงทวีปไหนก็ไม่รู้ปรุงนูน้นปรุงนี้โอ้โยเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาเอ้าไปไหนก็ไม่รู้ ดึงกลับมาคอยสังเกตดูมันหลุดไปตอนไหนอืคอยสังเกตดูมันหลุดไปตรนไหนหรือไม่ไปจับกําหนดจอดจอดูอ้าวมันหลุดไปตรนไหนตามันไปตามันไปอ๋อมันหลุดไปตรงนี้แค่ก็ว่าย้อนดูตามหลังมันย้อนดูอ้าวมันหลุดตั้งแต่ตอนไหนวะมันหลุดตั้งแต่ตอนไหน มันพานึกคิดเรื่องอะไรย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปโอ้มันสุดตรงนี้เนี่ยมันพาเล่นรอดมาจากตรงนี้เราพยายามจับเหมือนกับยันหัวมันกลับคืนไปให้มันรู้ที่บกพร่องของมันจับผู้รู้นี่แหละจับตัวเลินเลรอของเราเนี่ยแหละที่มันพลังมันเผลอ มันเลินเล่อให้มันหลุดไมยไม้หลุดมือไปจนกอ่อเรื่องยืดเป็นคืบเป็นศอกเรื่องเป็นคืบเป็นศอกมันยืดมาเนี่พิจารณาถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังมาถึงตรงนี้เอ๊มันเปลือตรงนี้เองแน่ถ้าเราไม่หัดย้อนมาอย่างเงี้ยมันจะไม่เข็ดจิตมันจะไม่เข็ดอันนี้มันเป็นการฝึกมันเป็นการฝึกมันเป็นการซ้อม ถ้าไม่คล่องถ้าไม่ชำนาญมันจะไม่อยู่ทาไมคล่องไม่ชำนาญมันก็จางๆแล้วก็หายไปจางๆแล้วก็หายไปไม่มีอะไรหนักแน่นแต่ถ้าเรากากับกับลมมันหนักแน่นไปกับลมนะมันนึกไปที่ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจยาว หายใจลึกๆฮุดโทไม่ใช่ไม่ใช่ใชรับปล่อยธรรมชาตินะไม่ใช่บังคับเข้าปูดหายใจออกโฮะคือหายใจเข้าหายใจออกตามธรรมชาติอย่าไปเกร็งอย่าไปบังคับอืมอย่าไปตั้งเจตจำนงกับการหายใจเข้าหายใจออกดูธรรมชาติของมันมันจะมันจะเข้าของมันมันจะออกของมัน เราเอาศัยความรู้สึกกำกับลมเข้าพูด<ม>โทความรู้สึกอันนี้มันเกิดความรู้สึกสบายเบาสบายปลอดโปรง่งโลง่งในหัวอกในหัวใจมันทำให้จิตของเราได้รับความสงบได้รับปีติได้รับความเบิกบานเร็วนี่เป็นการฝึกจิต ทำไงปุ๊บปั๊บจะเป็นมันไม่เป็นเราต้องฝึกเราต้องซ้อมฝึกซ้อมอยู่อย่างนี้แหละฝึกซ้อมจนจมชำ น, นิชำนาญเหมือนงานการทุกอย่างที่เราฝึกเราซ้อมนั่นแหละถ้าเราไม่ใจฝักไม่ตั้งใจฝึกไม่ตั้งใจซ้อมมันไม่ฉินไม่ชำนาญงานทุกอย่างเราฝึกซ้อมจะเริ่มชำนาญเราจับใหม่ๆเหมือนอย่างเราหัดเย็บผ้าเนีเนี่ยหัดเย็บใหม่ๆนะ เบี่ยวซ้ายเบี่ยวขวาเบี่ยวซ้ายเบี่ยวขวาตกซ้ายตกะขวาเนี่ยเดี๋ยวก็ตะเก็บทีเดี๋ยวตะเก็บหางเนอ่ยเดี๋ยวก็ดูพิทีเดี๋ยวก็ดูหางอยู่นั่นแหละเดี๋ยวติดเดี๋ยวย่นเดี๋ยวอะไรอยู่นั่นแหละมันไม่จำนาญเพราะเหยียบไปเรียบจะียบไปในขณะที่เราทํำบ่อยครั้งน่นมันหาเรียนรู้ไปโดยหลักธรรมชาติของมันจิตของเราเช่นเดียวกันมันหาเรียนรู้ไปในหลักธรรมชาติ เราต้องการให้สงบมันหาเเลียนรูปไปด้วยหลักธรรมชาติ อ, อ๋อมันเล็ดลอดไปตรงนี้อมเล็ดลอดไปด้วยเราพลั้งเผออย่างนี้อืจะตีลราจางความเพียรละอ่อนบางทีร่างกายเราอ่อนมันเหนื่อยมันเพลียนี่ยมันก็เป็นได้บางทีนั่งนั่งไปมันหมดความรู้สึกเพิ่สับปะงกไปเลยอย่างนี้หมายว่าร่างกายมันอ่อนเพลีย มันอ่อนเพลียมาที่ก็สบายร่างกายมันไม่ทรงตัวตกปุ๊บลงไปเนี่ยมันตกไปแค่ช่างมันจิตของเราไม่ได้ตกไปเราก็ประคองอยู่นั่นแหละประคองอยู่นั่นแหละอีิจนาร่าดูสังเกตสังกายให้ดีให้มันอยู่กับคํำอาพุธโธพุธโธพุธโธจนมันอิ่ม เมื่อไรที่มันอยู่กับผู้โทมันตื่นจิตของเรามันตื่นมันตื่นมันรู้ออโมหะมันไม่แทรกตัณหามันไม่แทรกตัณหาคือความดิ้นความจิตนั่นแหะจิตมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นเพราะเราเรามาตั้งเจตจำนงสร้างงานให้มันเราตั้งเจตจำนงสร้างงานให้มันไม่ปล่อยมันนึกคิดด้วยเปลือยตามเรื่องของกฎของมันเราสร้างเจตนา สร้างงานให้กับมันพยายามทําความรู้ตัวกํากับนี่เขาเรียกว่าหัดตั้งสติหัดกํากับด้วยสติสติกํากับจิตถ้าสติถ้าจิตถูกสติกํากับจิตจะตื่นรูอยู่ตลอดช่วงที่จิตของเราตื่นโรูชัดเจนที่สุดเต็มร้อยช่วงนั้นเลยคือจิตของเรามีสติกํากับดูแลอยู่ ตาบใดไม่มีสติกลมกลับดูแลอยู่มันจางจางจางจางเลื่อนลางจางหายไปเดี๋ยวเรื่องราวมาแทรกแล้วความดิด้ดิ่งของจิตมันมาแทรกแล้วนึกเรื่องเสียงนึกเรื่องรู้นึกเรื่องอะไรใจ น, นึกไปนึกมานึกหงดหงิดหงิ ด, ง ด, งดท่านจึงให้เอาพิจารณาขันเหมือนอย่างที่เราสวนเมื่อกี้นี่ขันขันทั้งหน้าอายตนะ ภายในอายตนะภายนอกที่เราสวดเมื่อเราสวดขันห้ากับอายตนะสิบสองเมื่อกี้เราสวด เ, เ, เนี่ยขันห้นาอายตนะสิบสองขันห้าก็มีในกายเราเนี่ยรูปก็คือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารจินยาสี่อย่างนี้เป็นอาการของใจเป็นอาการของใจเวทนาใจยินดีใจยินร้าย สุขเวทนากายสุขกายเบากายสบายกายปลอดโปร่งเนี่ย่านสุขเวทนากายเวทนาสัญญากายคือรูปรูปประคันขันก็คื อ, อเป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ละอย่างแต่ละกองท่านเรียก ว, ว่ากอ่อขันเรียว่ากอ่อ รูปก็คือร่างกายทั้งหมดที่ประกอบไปด้วย อ, ว, อวัยวะสามสิบสองนี่เป็นรูปธรรมเวทนานี่เป็นนามธรรมสัญญาเป็นนามธรรมสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมนามธรรมทั้งสี่นี่เป็นอาการของใจอาการของใจเหมือนอย่างอาการของลมเนี่ย อาการของลมถ้ามาสัมผัสที่ผิวเรานะก็ทราบว่าโอ้ลมล ม, ลมแผ่วลมแรงนี่อาการของลมถ้ามันไปสัมผัสยอดไม้เราก็เห็นว่ายอดไม้มันไหวนั่นคืออาการของมันอาการของของลมไปสัมผัสทําเกิดความใบลมมาสัมผัสที่กายผิวของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าโอ้ลมมาถูกลมนี่คือรูปกาย กายเกิดความรู้สึกโอ้สบายโอ้ไม่สบายอยู่ในธนาอาการเหล่านี้เกิดขึ้นไปในจิตจิตรับรู้รับทรา บ, ร บ, รบสัญญาจําได้หมายรู้เกิดเป็นเป็นคำอีกอย่างหนึ่งจําได้จําได้หมายรู้หมายรู้นี่คือมันคาดมันเดาเอาคําว่าหมายรู้นี่ รวมทั้งความจํารวมทั้งความคาดความเดาปะปนกันไปอยู่ในนั้นแหละครุกเคล้ากันไปทุกเคล้คากันมาสัญญาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาโดยคาดโดยเดากลับไปกลับมาย้อนไปย้อนมาเนี่ยทั้งจําทั้งคาดทั้งเดาเดาผิดเดาถูกเดาถูกเดาผิดแน่มันเป็นการฝึกซ้อมจิตให้เกิดความรู้ เพราะฉะนั้นสัญญาเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญามันไปจากเวทนาก็เป็นเหตุให้ให้เราได้พิจารณาเกิดปัญญาตัวสัญญาตัวค่าตัวเดาของจิตเนี่ยไปขุดไปคุยไปคน้นไปควา้าหาเหตุหาผลหาข้อมูลวิจัยวิจารณพิจารณานึกตรึกตรองตัวสัญญาจําได้ สิ่งที่ล่วงไปรูปที่ล่วงไปโอ้ระลึกได้จําได้รลึกเยับเนี่ยตัวสติระลึกเยับโอรูปนั้นโอรูปนี้มันโผล่ขึ้นมามันคืออะไรก็จะมันอะไรมันโผล่ขึ้นมาจับไป เ, ปเลยเราไม่ต้องไปเยอะๆว่าคืออะไรเป็นอะไรให้รับทราบอาการของมันทั้งหมดเรากําหนดอยู่อย่างนี้เรามีงานทําตลอดสังขารสังขารในชนี้ รวมทั้งสังขารรูปสังขารนามรวมทั้งบุญปรุงเรื่องบุญปรุงเรื่องบาปปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอีกอันหนึ่งท่าเรียกว่าอเนินชาพิสังขารเป็นสังขารเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันเป็นสังขารของผู้เข้าฌาน สังขารอยู่ในความสงบในที่เข้าฌานอเนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารจิตปรุงเรื่องบุญอปุญญาพิสังขารจิตปรุงเรื่องบาสังขารสังขานี้มายได้ทั้งส่วนที่เป็นบุญทั้งส่วนที่เป็นบาทั้งส่วนที่ปรุงแต่งประกอบกันเป็นกองสังขารอันนี้ก็เป็นกองสังขาร เรารู้มาที่กองสังขารรูปอย่างที่เรียกว่าปรุงปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอันนี้เป็นกองสังขารนามมันปรุงเป็นรูปมันปรุงมันปรุงเป็นบุญ ม, มันปรุงเป็นบาปถ้ากมันไม่ปรุงฉชนอย่างจิตไม่ปรุงจิตสงบจิตนิ่งท่าเรียกว่าอาเนยนชาพิสังขารจิต ส, ง, ง, สงบแน่นอยู่ในองฌานแน่จิตสงบแน่นอยู่ในองฌานแต่ถ้า เป็นความสงบของปุถิชนก็คือกิเลสอมอมกิเลสเต็มแปร่ยในนั้นแต่ถ้าเป็นความสงบของพระริยเจ้าในนั้นไม่มีกิเลสสงบเป็นวิหารธรรมมันเป็นที่พักของใจใจเข้าไปอยู่ใจเข้าไปอาศัยนี่คือสังขารแล้วก็สังขารที่เป็นรูปคือหลายๆอย่างมาประกอบกันที่เรียกว่ากองสังขารเช่นอย่างรูป รูปร่างร่างกายของเราเป็นผงเนื้อแต่ละอาการของมันอืแต่ละสภาวะของมันแต่เรียกว่าอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างของมันอื ม, มันมารวมกันนะหรือเราจะดูจากสิ่งภายนอกที่เข้ามาประกอบกันเช่นอะไรอาหารอาหารเตรียมหน้าเราที่กําลังเรากำลังจะกําลังนก๊าดเข้าปากเป็นข้าวเป็นปลาเป็นกับเป็นแกงเป็นผัก เป็นผลไม้นั่นของหลายอย่างก็รวมกันรวมกันเข้ามาในปาาเคี้ยวเคียวเคียเค้ยวเลเอียดใส่เข้าไปข้างในร่างกายดูดกลืนเข้าไปบดขยี้ดูดซึมซับเอารสชาติของอาหารเหล่านั้นไปปุงแต่งให้เกิดเลือด เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เกิดเนือ้อเกิดเย็นเกิดกระดูกเกิดอวัยวะสา32ิบสองเจริในวัยที่ควรเจริญแล้วก็เสือ่อมในวัที่ควรเสือ่อมอันนี้ท่านกฤติสังขาร จำง่ายๆว่าสิ่งหลายๆอย่างมารวมกันเป็นกองสังขารกองสังขานี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาแสดงให้เราพิจารณากองสังขารกองสังขารรูปก็ตามคลองสังขานามก็ตามมีลักษณะสามอย่างให้เราสังเกตหนึ่งไม่ค ง, งทนสองเปลี่ยนไปไม่คงทนนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นทุกข์ทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง ด้วยเหตุที่มันทนไม่ได้มันถึงเปลี่ยนเป็นอนิจจัง <c oughs> ด้วยเหตุที่มันเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนไปนั่นแหละคือทุกขังมันเหมือนกับเหรียญสองหน้าเราพลิกข้า ง, ง, ข, า ง, ง, งาาข้างหนึ่ ง, ง, ข, ง, ง, ข, ง, งข้างหนึ่งกําลังจะโผล่มาเต็มหน้าอีกข้างหนึ่งพอโผล่เต็มหน้าปั๊บอีกข้างหนึ่งก็รับหายไปพอโผล่มาอีกข้างหนึ่งปั๊บเห็นอีกข้างหนึ่งเต็มเต็มหน้าอีกข้างหนึ่งก็หายไปในเมื่อมันเริ่มมันเริ่มขยับ ก็เ ร, เริ่มเห็นมันมันเริ่มหายไปเหมือนกับเราเห็นเดือนดวงเดือนที่มันค่อยดับไปดับไปดับไปข้างแรงนี่นี่คือลักษณะคือลักษณะของอนิจจังทุกขงังหากสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจํากองสังขารมีทุกอย่างเราดูมาที่สลาหลังนี้นี่คือกองสังขาร ดึงนั่นออกไปดึงนั่นออกไปดึงนั่นออกไปดึงนั่นออกไปเราไม่ดึงหากการเวลามันพาให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราดูสีเราทําใหม่ๆสีสวยสดงดงามตกลงไปหนึ่งปีสองปีสามปีสปีถูกแดดถูกฝนถูกน้ําตัวอะไรชักไปล่างไปถูกที่ฝุ่นถูกอะไรแต่ละเกาะกกเปลี่ยนสีอับเฉาหายไป หรือไม่อย่างต้นไม้เนี่ยอยู่ตากแดดตาฝนตากแดดตากฝนล่วงไปลวงไปลวงไปเริ่มผุเริ่มพังเริ่มเป่วยเริ่มเน่าเริ่มอะไรแล้วลายหายไปหมดแต่หากมันใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันเช่นอย่างเรามาเทียบดูที่เนื้อหนังของเราซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอมันเจริญเร็วมันเสื่อมเร็วมันจํารูปสูญสูรมเร็วเสียหายเร็วเราเห็นได้เร็ว เราเห็นได้เร็วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากของเดี๋ยวๆแข็งก็แข็งแบบผมแบบขนเงี้ยแบบเล็กแบบฟันแบบหนังเนี่ยก็แข็งแบบนี้แหละเนื้อกระทือถือว่าแข็งเป็นธาตุดินถ้าเราเอาไปเทียบกับเหล็กเงี้ยมันก็คนละโลกใช่ไหมคนเราอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีพังหล่มตายไปหมดแล้ว ตะเล็กเจ็ดิบปีแปดสิบปีในขนาดเดียวกันมันอยู่ไปของมันมันก็ซึกกร่อนเข้ามันมันก็มีสนิมกัดกินเของมันเนียมันไม่คงทนมันเปลี่ยนไปไม่มีสภาวะหรือสังขารกองใดอยู่เท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหล็กปลาเอยเหล็กไหลเอออะไรก็แล้วแต่นานร้อยปีพันปีโกดปีแสนปีล้านปีมันเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนตัวของมัน เปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งมันเปลี่ยนสภาพเพราะมันทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่คงที่เท่าเดิมเกา่าเกา่าแก่ชราคร่าคราเก่าแก่ชราค่ําคราเราดูอย่างเหรียญยากเราดูใบไม้ต้นไม้ต้นไม้ยอดอ่อนสุดต้นไม้มันมันมันตั้งตัวขึ้นปั๊บมันเผล่ขึ้นมานะ ถ้าเป็นต้นมะข่าเมเนี่ยเราพอต้นมะข่าเนี่ยมันจะแทงมันจะแทงรากขึ้นมาแทงรากขึ้นมามะข่านะถ้ามันได้ดินมันได้ดินได้อากาศพอดีได้น้ํำพอชุ่มชุมชื้น ช, ชื้นอากาศอุ่นอบอ บ, อ บ, อบุ่นพอดีเนี่ยมันจะแทงรากมาพอแทงรากมาขึ้นบนปั๊บมันจะโค้งลงดินนี่ถ้าใครเคสัเงเกตนะนี่คือธรรมชาติมันมันไม่อยู่เท่าเดิมหรอกพอเขาขเข้าดินปั๊บ ราข่ะมันจะก็ไปยังรองในดินแทงขึ้นดินหลังจากแทงขึ้นดินมีกําลังเรียวแดงเต็มที่มันเข้าไยามตั้งตั้งไอ้กลีบอ่อนกลีบอ่อนของของของเมล็ดมันขึ้นนะกลายเป็นยีนต้นแล้ะแล้วก็จากนั้นมาเราดูมันไม่อยู่เท่าเดิมหรอกโรล่ขึ้นมาโรล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมายอดก็โผล่ขึ้นมายอดก็โผล่ขึ้นมากีบใบกรีบอะไรอะๆโผร่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นลําเป็นต้นเป็นอะไรเป็นดอกเป็นผล มันไม่เคยอยู่เท่าเดิมอะไรทําให้มันไม่อยู่เท่าเดิมนี่แหละคือหลออักของอนาาิจจังทุกขังอนัตตาพุทธเจ้าท่านให้ดูวนันนี้และให้เทียบ ม, มาที่ร่างกายของเราเพราะร่างกายของเรานั้นอ่ะร่างกายของเรานั้นอยู่กับความสุขอยู่กับความทุกข์ใจของเราต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับความทุกข์ ท่านจึงให้มาพิจารณาเห็นให้เห็นอันนี้แจงทุกครั้งอนัตตาอนนี้แจงทุกครังอนัตตานี่แหละคือหลักธรรมหลักธรรมชาติสภาวะของธรรมคือกระแสของธรรมกระแสความเป็นไปของธรรมชาติที่เรียกว่ากระแสรธรร ม, มไม่ใช่ไปเห็นอกองเงินกองทองไม่ใช่ไปเห็นกองเพชรกองพลอยนะที่ว่าเห็นธรรมไม่ใช่ เห็นธรรมคือเห็นอันนี้แหละเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของเรานี่แหละเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของมันเนี่ยคือทุกขังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันนี้จังนี่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันอันนี้แหละคือกระแสธรรมลองเราเห็นให้จิตใจของเรายอมรับเต็มที่เต็มร้อย mm. แค่ทำลายโ อ, โ อ, โอ้มันไม่ใช่เราจริงๆมันสัพทว่าเป็นสภาวะธรรมจริงๆเข้าถึงกระแสธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรมปักใจแนบแน่นมั่นคงมีความเลื่อมใสศรัทธาเต็มที่เต็มร้อยกับสัจธรรมที่เรามองเห็นอยู่นี่นี่แห<ม>ละเป็นก<ม>ระแสธรรมและกระแสธรรมนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ด้วยด้วยเหตุที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตา<ม>ถ้าเป็นเราถ้าเป็นอัตตาเราต้องเปลี่ยนแปลงมันได้เราต้องหยุดมันได้เราต้องชะลอมันได้ เราต้องบังคับบัญชามันได้ด้วยเหตุที่มันไม่ใช่เราเราจึงบังคับบัญชามไม่ได้อนาตตาอนตตาภาวะมีสองอย่างภาวะอัตตากับอนาตตาถ้าเป็นภาวะอนาตตาหมายถึงการปลงปล่อยโอ้ยมันไม่ใช่เราปล่อยให้เปลี่ยนไปตามกระแสธรรมของมันเหมือนน้ามันไหลไปตาม ตามหลักธรรมชาติเพราะมันมันไหลไปสู่ที่ต่ําไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปอืมแต่น้ําเราสามารถบังคับได้กระแสเหล่านี้บังคับไม่ได้น้ําเขาบังคับไปขึ้นที่สูงได้โดยธรรมชาติเพร า, ามันมันไหลลงที่ต่ำได้บังคับไปขึ้นที่สูงบังคับได้ดูดขึ้นสูบขึ้นดันขึ้นนน้ํามันขึ้นไปได้ ตลักอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาใครก็ดักแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยเหตุที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่เองจึงยึดไม่ได้ถ้ายึดได้ต้องเป็นเราถ้าเป็นเราต้องยึดได้เราไม่ต้องการให้แก่มันแก่ไหมมันฟังเราไหมไม่ฟังไม่ต้องการให้เจ็บไม่ต้องการให้ตายมันฟังสักอย่างไมไม่ฟัง อยาฟังอยากแกอย่ากแกอยาแกโอ้ยแกอแล้วโันอยาหักอยาหักผมอยากขาวอย่าขาวไม่รู้มขาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแก่หนังเหี่ยวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกำลังวังชาหดหายท้อถอยไปเหี่ยวแห้งร่วงผอมกรองคือคนแก่ล้วน่ะเดินงกงเงินเงินนเดือดแต่หนังหงุมกระโดกเลือแต่เส้นเอ็นรัดจริง นอนระดูที่มันเพลี่ยนไปเราบอกให้มันอยู่อ้วนพีเท่าเดิมมีกําลังวางชาสวยสะสวยอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้มไหมไม่ได้บอกมันไม่ได้นี่แหละกระแสธรรมพระญาโกรธรรัญญาท่านเข้าไปเห็นกระแสธรรมอันนี้แหละท่านได้ดวงตาเห็นธรรมยังกินจีสมุนไพธรรมมังสมันตังนิโรธาธรมมัง <c oughs> ทังคันใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีอย่างนี้ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาโดยมันเปลี่ยนไปนี่แหละเราจึงว่ามันสลายไปหรือเสื่อมไปหรือตายไปเป็นธรรมดาและและทะลัศน์ว่า <S <S ก็เพราะมันไม่มันหยุดไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วดูใหเห็นดูมาที่กายของเราดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาที่กายของเรา ยิ่งเราดูมาที่ใจของเราจะ ย, ยิ่งเห็นได้ง่ายใจของเราเราดูขันนี่แหละดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณวิญญาณก็เป็นขันอย่างอันหนึ่งวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้แท้จริงคือใจดวงเดียวนั่นแหละแต่ทั้งสี่อย่างแต่และอย่างแต่และอย่างเป็นอาการของใจเราต้องการจะจับใจเราจะต้องมาจับอันนี้จับเวทนา จับสัญญาจับสังขารจับเหี้ยจับแล้วจะถูกใจเพราะใจมันรับรู้รับทราบจับอันนี้ปั๊บถูกใจจับอันนี้ปั๊บถูกใจอืมเพราะอันนี้คืออาการของมันอาการของมันอาการของใจเราจับใจที่แท้จริงเราจับยากมันละเอียดภูมิจิตภูมิธรรมเราไม่ถึงเราจับไม่ได้เราต้องการจะจับใจเราจะต้องมาจับเวทนา ความดีใจใจดีใจจับความรู้สึกเของมันจับอาการของมันเสียใจจับอาการของมันมาที่อาการของมันมันสแสดงออกมาที่กายด้วยความดีใจร่างกายสุขสบายความเสียใจร่างกายอึดอัดหัวใจเต้นเร็วคึ้นชักชักชักความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายความสบายกายความสบายใจ ความทุกข์กายความทุกข์ใจกิริยาการของวิทนาของสัญญาของสังขารเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปของวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็คืออยายตนะภายใน<ม>กระทบอยายตนะภายนอกปับ๊บความรู้ที่ชัดชัดขึ้นแต่ละอย่างท้านเรียกว่าวิญญาณจักขบวิญญาณรู้แจ้งทางตาวิญญาณเรีว่ารู้แจ้งวิวิเศษแจ้งรู้แจ้ง ญาณแปลว่ารู้วิแปลว่าแจ้งหรือวิเศษรู้แจ้งรู้แจ้งญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งทางตาตาไม่รู้เรื่องรับแต่มารู้แจ้งทางตาใจเป็นคนรับรู้รับทราบนั่นนะ่ะใจที่รับรู้นั่นแหละเรียกว่าจักขุ่วิญญาณก็คือใจนั่นแหละแต่มาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจักขู่วิญญาณ <c oughs> สัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดมันเกิดพร้อมกันมันทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันตลอดเราไม่แยกไม่ได้ทำงานร่วมกันต ล, ล, ลอดเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เกิดถ้าเราจะเทียบกับมัอะไรเหมือนผลน้อยหนาผลหนึ่งเนี่ย อผลน้อยหนาผลหนึ่งมันมีเมล็ดมากมายเยะๆอยู่ในนั้นมันเกิดร่วมกันอยู่ในนั้นแล้วแยกออกไม่ได้แยกออกคือก็คือค อ, อามาผ่ากินมา่าเอามาฉีกกินะามาบีบกินนะั่นแหะถ้าเราแยกออกอแต่ถ้าเราแยกออกอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เปลนผลแล้ว้าเป็นผลอยู่ที่ต้นมันก็เสียแล้วเน่าลแล้ม มันทํางานทุกครั้งมันมาด้วยกันมันกํากับกันเกี่ยวก็เราจักบปัญญาจิตของเราสิปผูรู้<ม>การที่เราพยายามตั้ง อ, อกตั้งใจศึกษาอยู่อย่างนี้มันเป็นการเจริญสติมันเป็นการเจริญปัญญาเรามีโอกาสที่จะเข้าไปรู้กิริยาการของกระแสธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราฝึกสติฝึกสมาธิเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพื่อให้ให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งเหล่า น, นี้ มันซ่อนอยู่กับกายของเรากับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณดูอย่างอื่นข้างนอกเป็นเป็นเครื่องเทียบเคียงเข้าไปแล้วก็ย้อนเข้ามาข้างในดูไปข้างนอกใบไม้ร่วมเนี่ยใบไม้เขียวที่แรกก็ออกมาเป็นยอดอ่อนๆก็เริ่มแก่เข้าแก่เข้าเขียวเข้มเข้าเข้มเข้าเขียมเข้า เขียวเต็มที่ก็เริ่มเลื้งเลืองเลื้งเลื้งหลุดร่วงลงมาน้ำคือลักษณะของมันมันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปต้องการให้มันอยู่เท่าเดิมได้ไหมไม่ได้เอาใจผู้รู้นี่ไปบังคับไม่ได้ไปบังคับไม่ได้เท่งนั้นแหละด้วยเหตุที่เราบังคับไม่ได้นี่เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อย ปล่อยเป็นอนัตตาโอ้อนัตตายึดไม่ได้ถือไม่ได้มาคับบรรจามันไม่ได้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราสามารถบรรเทาทุกข์ในหัวใจเราได้มากพอสมควรเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะเรารู้เหตุเรารู้ผลของมันเราไม่เหมาวิ่งรับเอาอารมณ์สุข อย่างเดียวเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้เหตุผลวิ่งรับอารมณ์ทุกข์อย่างเดียวไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้เหตุไม่รู้ผลด้วยเหตุที่เรารู้เรื่องรู้ราวเรารู้เหตุรู้ผลนี่คือปัญญายิ่งเรารู้ว่านกโอนี้อนิจจังอยู่ไม่ได้ทนปลงปล่อยจิตใจยอมรับเต็มที่เข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรมโอ้ไม่ใช่เรา ผมไม่ใช่เราการถือเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองที่แท้จริงเพจามไปจางไปอย่างที่จะเรียกว่าละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายละสักกายอทิฐิสกายอทิฐิความลังเลสงสัยในเหตุเหล่านี้ไม่มีละวิจิกิจฉารละละการถือประพฤติปฏิบัติอย่างลุกลุกคําคล้ำลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดรู้ข้อ ปฏิบัติที่ชัดเจนว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุอย่างนี้เป็นเหตุอย่างนี้เป็นเหตุอย่างนี้อ mm hmm. พูดถึงศรัทธาก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองจนเป็นอจฉะศรัทธาอจฉระิะศรัทธาแน่แน่นมั่นคงไม่กำเริบการเห็นไม่กลับกำเริบอันนี้แหละ คือขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่ละขั้นแต่ละต่อที่เราควรจะศึกษาเกิดความรู้เกิดความก้วาวใจอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะเป็นกระแสของธรรมเราเรียนรู้ทำเราเรียนรู้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นทำใหม่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพื่อบรรเทาตัณหาบรรเทาอุปาทานบรรเทากองทุกถ้าหมกเราไม่รู้เรื่องของตัณหาตัณหาสวมรอยแสดงบทบาทเต็มที่ แล้วมันไยึดอุปาทานเต็มที่ทุกสลายก็เต็มแปรอยู่ในหัวใจใจผู้เดียวเลยรับรับแบกกองทุกเหมากองทุกมันก่อทุกเองมันแบกทุกเองมันรับทุกเองมันสร้างทุกเองมันบริโภคทุกเองจิตของเราตามันไม่ทันดอกถ้าเราไม่เอาทำตามมันอะไรคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละวิริยะธรรมขันติธรรม ความอดความทนฮิริโอตะปัดกำกับมาที่กายกิริยากายกิริยาวิจาเป็นเรื่องของศิลมากำกับให้เกิดสินมาสังวรมามะระมัดระวังเพราะสินน่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับกับจิตดวงนี้สินพุทธิจารย์สัจ j o ันหยาดสินแต่และข้อแต่และข้อเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้อะ เป็นช่องเป็นรูที่จิตดวงนี้มันออกมาออกมาแสดงความโลภข้าสัตว์รักทรัพย์เนี่ยถ่าสัตว์รักทรัพย์ค้าทำไมข้ามากินโลภอยากได้มากินรักเอามาทำไมรักกพความโลภอยากได้เข้ามาผิดรูปผิดเมียนี่โลภโลภนั่นแหละโลภก็คื อ, อโลภ โลภ ก, ก็คือตัณหาโลภ ก, ก็คืออยากได้มาโลภะโลภะแปล ว, ว่าความโลภแปลทับศัพท์แปล ว, ว่าอยากได้มาโลภอยากได้โลภอยากได้ความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากของตัณหามันตรงกับคําที่ว่าตัณหาแปล ว, ว่าความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจเรารูปฏิจัยเราเห็น เรารปฏิทใจเราเห็นเหมือนอย่างที่เราพาสวดม้าสีประธานนี่มันมีแต่สภาวะธรรมทั้งนั้นที่เราให้ให้เรามาไล่มันขันทั้งห้านี่ยสภาวะธรรมที่ท่าเรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าโอ้อาการอย่างนี้ท่านเรียกรูปอาการอย่างนี้ท่านเรียกเวทนาเป็นสัญญาเป็นสันขานเป็นวิญญาณท่านทรงบัญญัติขึ้นไม้เราเรียนรู้เพื่อเกิดความกําหนดจดจํา แต่ถ้าเราดูมาที่ใจใจ ร, ร, รับรูบ้รับทราบกิริยาอาการทัมดของมันเป็นยังไงกำหนดจุดจอรับทราบตัวนั้นไม่รู้อยากชื่อมันก็ช่างเถ อ, อะนะเพียงแต่เรารู้เท่านั้นเองยังกินจิตสมุทัยธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งรัญญาโกรัญญาท่านเข้าใจหลักธรรมโดยบทธรรมยังกินจิตสมุทัยธรรมยังกินจิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีชื่อไม่ได้บอกชื่อ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาดูเห็นแต่กิริยาอาการของมันข้ามสมมติไปหมดแล้วสมมุติว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณมันข้ามอันนี้ไปหมดแล้วเข้าไปเห็นแต่กิริยาที่มันทนไม่ได้มันเปลี่ยนไปที่เรียก ว, ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับนักเข้าเราก็ไปติดกับคขา่ า, ากเกิดดับเกิดดับเมื่อรู้อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ลุ ด, ction, ด, ดูให้เห็นตัณหาเกิดดูให้เห็นตัณหาดับอันนี้มันจะเป็นการบรรเทาต้นตอของกองทุกข์ที่แท้จริงได้ตัณหานี้ถ้าเราปล่อยมัเจริญงอกเงยในหัวใจของเรามันก็เพิ่มพูนพงเผ่าเหลากอเขมันเพิ่มพูนขึ้นพเพิ่มพูนขึ้นไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นเราตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อละ <c oughs> เพื่อปล่อยเพื่อวางตัญหาเราต้องหยุดมันไม่ให้มันกาเริบเสร็จเราก็ค่อยพิจารณาพลี่คลายเพื่อทําลายมันหยุดที่เรียกถ้าเรียก ว, ว่าสังวรสังวรระวังมันหากมันหยุดด้วยการตั้งอกตั้งใจสํารวมระวังระวังที่ใจของเราเอาอะไรมาระวังเอาสติเรามาระวังเอาสติมาระวัง สติสังวรยานสังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยอินทรียสังวรก็สํารวมตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจสํารวมสํารวมคืออะไรสมรวมคือระวังนี่แหละระวังไม่ให้มันแทรกเข้ามาที่ตาที่หูที่จ ม, มูกที่ลิ้ทลทนที่กายที่ใจอินทรียสังวรสํารวมอินทรีย์การสํารวมอินทรีย์นั่นแหละมันเป็นการบ่ม อ, อินทรีย์ ทำให้อินทรีย์ของเราสุกงอมขึ้นมาเพิ่มพูนอินทรีย์ของเราให้บารมีของเราแข็กล้าที่เรียกว่าอบรมบ่มอินทรีย์มันยังสุกดิบมันไม่มีรสชาติมันไม่หอมไม่หวานบ่มให้มันสุกให้มันหอมให้มันหวานบ่มให้มันแก็งหรือไม่กับบ่มให้มันเป็นตะปะธรรมแผ่เ<ม>ผาขี้เล็กที่มันแทรกเข้ามาในาใจของเรา ยินสียินสีสําบูรณ์สํารว์ตาหูจหมูกลิ้นกายใจถ้าเราจะว่าเป็นธรรมก็คือไม่ทหหาหามาแทรกถ้าเราจะให้ว่าเป็นวิ น, นัยมันก็เป็นการมาสํารวมยินสีอยินสีสํารว์ตาไม่สํารวมตาไมใ่มมให้มรรคมา ท, ที่ที่กาย สำรวมตาสำรวมหูสรวมตาตาคือกายนั่นแหละสำรวมตามีสติจออยู่ที่ตาคำกับอยู่ที่ตาที่เรียกว่าสำรวมตาสังรวมตาก็คือสำรวมใจนั่นแหละก็เอาใจเราไปสำรวมเอาอะไรมาสำรวมสติมาสำรวมเอาสมาธิมาสำรวมเอาญาณมาสำรวมเอาปัญญามาสำรวม เอาสมาธิมาสำรวมมาระวังไม่ให้ตัณหาเกิดไม่ให้ตัณหาแทรกนี่เราหมุนมาตรงนี้นี่เป็นข้อปฏิบัติเป็นประธานเป็นประธานแปลว่าความเพียรเพียรหมุนมาตรงนี้สังวรประธานประหานประธานสังวรประธานของใหม่ไม่เกิดระวังจนของใหม่ไม่เกิดผานประธานคือพยายามละละละละละลับเก่าที่มันมีมีอยู่ แล้วมันมีอยู่มันม่อยู่ที่ไหนอันเก่าที่มันมีอยู่มีอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจมันมายึดมั่นที่กายว่าก า, ายเรากายของเรามาคลี่คลายตรงไหนเป็นเราท่านยึดสอนให้เราพิจารณาเรื่องเรื่องขันเรื่องธาตุนี่อายตนะธาตุาเราก็มีธาตุเราก็สว่วนขันธาตุอายตนะถ้านใหเรามาพิจานะรณาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งมันนี้สักจะว่าเป็น สภาวะธรรแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีตัวไหนที่เป็นเราที่เป็นของขอเราที่เราควรจะยึดที่เราควรจะถือจิ้มเข้าไปแซะเข้าไปชักเข้าไปล่างเข้าไปชำระเข้าไปปอกเข้าไปปอกเข้าไปเหมือนกขบปอกต้นกล้วยปอกเข้าไปปอกไปมีหมายความว่าตัณหาเก่ามันฝังอยู่ตามกายตามเวทนาตามจิตตามธรรมหรือฝังอยู่ที่กายที่เวทนา ที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณเนี่ยขันหน้าแต่ว่าช่องทางที่มันจะเกิดตามระบบระบบของมันมันเกิดจากใจใมันออกไปกระทบกับภายนอกมันออกไปทางตาใจมันไม่มีที่ออกแต่มันมีวาวรมีประตูคือกายตาเป็นจักขคุวาวรเนีน่ยารจักขคุถาวรหูโสตถาวร จมูกขานะถารลิ้นชิวหาทวาวรกายกายทวาวรถาวรแปลว่าประตูประตูอะไรประตูที่ใจมันออกไปมันออกไปทางตาออกไปทําไมออกไปดูรูปเปเห็นรูปรูปเป็นวิสัยของตาเสียงเป็นวิสัยของหูเอาหูมาดูรูปก็ไม่ได้เอาตามาฟังเสียงก็ไม่ได้ มันเป็นงานของมันโดยเฉพาะมันทําหน้าที่ของมันโดยเฉพาะอ mm hmm. จมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันมันทําหน้าที่แต่ละอยางแตล่ละอย่าว่ากายในที่นี้หมายถึงกายยะประสาทไม่ใช่กายเป็นก้อนเป็นแท่งที่เราเห็น mm hmm. กายในอยนายตนะที่ท่านพูดถึงเนี่แนะหละมายถึงประสาทกาย ฉัอย่างอย่างเราเอามือมาลูบผิวของเราโลูบตรงไหนเราจะรู้สึกเกิดความรู้สึกเนี่ยประสาทนี่แหละถ้าเรียวว่าประสาทกายมดตัวเล็กๆมาไต่ขึ้นเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกเนี่ยมันมีประสาทอยู่ที่ผิวเนี่ยผิวหนังนี่ถ้าเรียกว่าประสาทกายกายประสาทรือกายทวารมีมดมาตอมมาไต่ที่กายเราปั๊บใจรับทราบทันทีแน่ใจมันออกไปรับรู้นี่เป็นกายทวาร แต่มันทำงานหนักเข้าไปมากกว่านั้นจนเป็นเหตุให้พวกเราติดสัมผัสติดสัตติดสัมผัสเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งนิ่มนมุ่มชู่ม่าอะไรแล้วแต่ความสัมผัสมาที่กายธรรมชาติมันสร้างมามันสร้างมาเพื่อมันสร้างเนื้อนหนังของมันลองตันหารเราเลินเราหลงเคลิ่มไปตามมันมันมีแต่เพื่องมาย้อมให้เราหลงทั้งนั้นเลย เราไม่ศึกษาแล้วเราไม่มาแยกแยะสิ่งเหล่านี้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะทําให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยเหตุที่เรามาเรียนรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของมันเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้ที่ไปเพระมันที่มาเพรามันว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรกันแน่มันทําให้เราเกิดความสว่างเกิดจิตเกิดปัญญาทำใหจิตของเราสว่างไม่มันมันไม่มืดมืดทึบทึบ มองอะไรไม่เห็นเป็นอวิชชาจิตของเราเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มสว่างมันเป็นวิชาวิชาแปลว่าสว่างเหมือนอย่างสบายไฟในห้องน้องดับสวิตช์มันดับแต่ทีความสว่างหายไปไหนอ่ะฮาหายไปไหนพอเปิดสวิตช์ปั๊บมันติดขึ้นมว่ามืดหายไปไหนหมืดหายไปไหนเราคิด พ, พูดว่าเป็นข้อคิด พูดพอเปลี่ยนข้อคิด <c oughs> พดต้องสองต้องลับคกูบาอาจารย์ท่านจึงว่าขันของเรานี่แหละเป็นเขียงลับเขียงลับปัญญา เอาทุกนี่แหละเป็นเขียงลับปัญญาเอาเวทนานี่แหละเป็นเขียงลับปัญญาสัญญาเวทนาเวทาเวนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนี่แหละเอาเป็นเครื่องลับลับจิตของเราให้เกิดปัญญาชวนมันชวนให้เราหลงอยู่ด้วยชวนให้เราหลงปัญญาคืออะไร ปัญญาคือความรู้รู้เหมือนอย่างเราเห็นเราเห็นขวดนี้พอเราไปเขย่าปับ๊บโอ้ข้างในมีน้ําเนี่รู้รู้ว่าข้างในมีน้ําเราเห็นอะไรเนี่ยเราเห็นปับ๊บเราจับมาเขยา่าดูโอ้ข้างในเป็นน้ำนี่ทำให้เรารู้รอบรอบรู้ เหตุป mm ัจจัยทั้งหลายบนบนโลกไปนี้เหตุปัจจัยทั้งหลายในกายนี้เหตุปัจจัยทั้งหลายในจิตดวงนี้ก็เกิดจากการฝึกจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เต่๋ยวที่เราจะเรียนรู้อย่างมีสมาธิดีนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิมันไม่ชัดเจน ดูให้เห็นสัตว์จะทำมันไม่เห็นมันผ้าผ้ามัวมัวดูไม่เห็นชัดสุกทีมันไม่ปักนึกลงไปเหมือนเราขีดหินเมื่อเราขีดน้ําแฟบหายไปแล้วแฟบหายไปแล้วเอาให้นึกลงไปเหมือนเราขีดหินเมื่อเราขีดดินว้าอยู่อย่างนั้นแหละขีดดินถูกแดดถูกลมถูกฝนถูอะไรแบบเลื่อนลางไปแล้วจากไปแล้วขีดหินลองดู เป็นร่องลึกอยู่อย่างนั้นแหละนี่เราสามารถสร้างจิตความสามารถของจิตของเราความสงบของจิตของเราปัญญาในจิตของเราให้คมเหมือนเรากรีดหินให้เป็นร่องลึกลงไปได้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบวิท ย, ยาทุกอย่างที่เราทําประกอบไปด้วยสติประกอ บ, ด, กอบด้วย ป, ปุสัมพชัญญาพิจารณาคำนดจดจอ่อ เป็นการสร้างปัญญาพืจะเข้าไ ป, ปรู้ไปเห็นสิ่งที่มันมีซ่อนเร้นปิดบังปัญญาสติปัญญาเราพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงขยับหน้าขยับหลังเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรี่ปัญญาสิ่งนี้นเป็นเครื่องเสริมให้เราเกิดสติเกิดปัญญ า, ญญาท่านั้นธาตุอายตนะขันธาตุขั น, าขนอายตนะ ที่ท่านสมมติเรียกเนี่ยกิริยาอาการของกายกิริยาอาการของใจเป็นเหตุให้เรามาซักมาฟอกมาชะมาลา้างมาขูดมาขัดมาเกลามาฝนให้เกิดปัญญาให้รู้เห็นว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรฝึกได้มีได้เป็นได้อะพอสมควรแก่เวลาว น, นี้ <c oughs> พวกนี้เราก็มีทละไลข้นแก่นอีกนะพวนี้เนี่ยตอนเช้าใครมาขบไม้ฉันก็ออกมาสลายพร้อมเพรียงกันพระเราเนี่ยออกมาสลายพร้อมเพรียงกัน ที่สี่ถึงสลาพร้อมเพียงกันปัดกวาเจ็ดถูปูอาสนะพร้อมเพียมกันก็นกนกนทําวัดรสวดมนต์จะได้ก็นั่งภาวนาเวลานั่งภาวนาก็ให้เป็นเวลานั่งภาวนาไม่ใช่ลงมาเดินลงมาถ่วงเวลาอยู่ข้างล่างเจ็บมันปวดมันอะไรก็อดก็ทนมาสู้เอาเราทําเพื่อเกิดงาน ทำเพื่อเกิดผลไม่ใช่เราทำเพื่อกรบเกลือนให้ลงเวลาเปล่าไปเฉยๆไม่ได้อะไรทำเหมือนขี้เกียจขี้คานเราต้องสร้างความขยันมั่นเพียรสิ่งนันี้มีคุณมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ชีวิตของเราไม่มีอะไรมีคุณมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่เท่ากับผลของการฝึกฝนอบรมไม่มี คนดีคนดีด be no. ีได้ด yeah. so mm ิบดีได้พระฝึกฝนพระอบรมไม่ฝึกไม่ฝนฝนไม่อบรมคําว่าฝนฝนฝนมันเป็นคําเปรียบเทียบเมืันก็ฝนมีดฝนจอฝนเฉียงฝนอะไรนั่นฝนฝนฝนฝนมันทู่ๆฝนจนแหลมฝนเข็มเนี้ยเหล็กทู่วทุ่วทุ่ทุฝนฝนจนแหลมฝนฝึกฝน ฝึกฝนท่านว่าฝึกฝนเมื่อเราฝูฝ mm. นนี้ข้ออุปมาเป็นคําพูดถ้าเราเข้าใจคําพูดเราก็เข้าใจเนื้อหาของมันฝึกฝนอบรม mm. เรามีแต่อยากเป็นอยากเปลี่ยนไม่ฝึกไม่ฝนจะเป็นหไม่เป็น mm. ออ ม, มีดเ อ, อ๋ยจงคมมีดเอ๋ยจงคมมีแต่ฟันทักพุทธคือไม่เคยฝนคไมไหมอ้า <c oughs> <c oughs> มีนฟันตะพุเฮ้ยมีจงคมมีจงคมมีที่ไหนจะคมเราไม่รับมันเราไม่ฝ น, นอยากฉลาดอยากรู้อยากดีอยากมีอยากเป็นไม่ฝึกไม่ฝนมันมีไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันไม่มีเหตุผลมันจึงไม่เกิดมันต้องสร้างเหตุให้มันให้เสียดายเวลาด้วย โอ้ยต้องภาวนาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงต้องทําเสร็จแล้วเรามานประเมินผลตามหลังอซุกโขซุกขังเหลืเกินให้พยายามสร้างความอบอุ่นให้กับใจของเรากำลังใจให้กับใจของเราวิธีนี้แหละที่จะทำให้เราได้รับความสุขได้รับความอบอุ่นนี่แหละคือบุญ น, นี่แหละคือบุญ เป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราต้องเอาคอยโลภถึงโลภแบบนี้เนี่ยโลภเป็นธรรมไม่ใช่โลภแบบจุเลตนันหาโลภอยากได้อยากได้ทำเนี่ยถ้าไม่มีความดิ้นรนขนาดนี้อย่างนี้ดิ้นรนมาในเรื่องทำทมที่ไหนมันจะโผล่ขึ้นมาไม่มีทมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกิริยาอาการอยู่เฉยๆอยู่เซื่อซื่อเนี่ยไม่มีกิริยาอาการอะไรจะเกิดขึ้นไม่มี กายซื้อฟื้นซื่ออยู่ซื่อซื่อนี่ไม่มีกิริยาอะไรเนี่ยเดินก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่ใจก็ซื่อซื่อซื้อฟื้อไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้กํำลังจดจอยเกิดสติเกิดสัมผัสฉันยะและอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่มีเหตุผลจึงไม่เกิดต้องการให้มีดคมก็ต้องฝนฝนให้มันแหลมอต้องการให้เข็มคมแหลมเนี่ยฝนให้มันแหลม เข็มจงแหลมเข็มจงแหลมแหลมไม่ได้มีดจงคมมีดจงคมคมไม่ได้มันไม่มีเหตุหรือไม่กระทำเหตุไม่ถูกผลที่เราต้องการมันเกิดไม่ได้หรือเกิดขึ้นแบบแบบที่เราไม่ต้องการต้องการสีขาวเราต้องการป้ายเกิดสีขาวเอาแปรไปจุ่มสีดำแล้วเอาไปป้าย เกิดอะไรฮะเกิดสีขาวหรือเกิดสีดําเราไปจุ่มสีดําเอาไปป้ายเกิดสีขาวเหมือนอย่างเราต้องการไหมเนี่ยสีขาวกับสีดําเวลาเราไปจุ่มแทนที่จะจุ่มสีขาวเราไปจุ่มสีดําต้องการสีขาวไปป้ายเอาสีดําไปป้ายสีขาวสีขาวที่นั้นจะเป็น เราต้องการความดีต้องการบุญต้องการความสุขความเจริญแต่เราทำเหตุไม่ถูกผลที่ไหนไมันจะเกิดเกิดไม่ได้เพราะเราทำเหตุไม่ถูกเหมือนอย่างเราต้องการสีขาวเนี่ยความสุขความเจริญแต่เราไปจุ่มสีดำเนี่ยนี่ยกตัวอย่างเหตุผลง่ายๆกิเลสกับธรรมเปเช่นเดียวกันเราต้องการผล ชอบด้วยธรรมแต่เราไปทําตามกิริยาของกิเลสมานแทรกในหัวใจผลก็เป็นเรื่องของมันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเราต้องการความเป็นธรรมเราต้องสร้างผลต้องสร้างเหตุแห่งความเป็นธรรมจิตธรรมปัญญาธรรมฮิบริธรรมโอต ป, ปะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรม วิริยะธรรมขันติธรรมโสรจจะธรรมธรรมทั้งนั้นกิริยาเหล่านี้เราต้องเจริญสิ่งเหล่านี้ทำจึงจะเกิดขี้เกียจขี้คร้นานมักง่ายเอาแต่สะเพร่าเอาแต่สะดวกเอาแต่สบายเอาแต่ตามใจชอบตามใจฉันขาดความอดขวาญขาดความทนขาดวิริยะอุตสาหะขาดขาดความภาคความเพียนมันก็ได้สิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการ ทุกคนในหัวใจของคนทุกคนมีความหวังเหมือนกันหมดขอให้เราจงเป็นสุขขอให้เราไม่เจ็บไข้ไม่ได้ป่วยขอให้เราขอให้เราอยู่สุขสบายขอให้เรามั่งมีสีสุขขอให้เราอย่าโรภาคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตายแล้วขอให้เราได้ไปสวรรค์ปรารถนาเหมือนกันหมดการปรารถนานี้ก็ทูก เมือ่อเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ถ้าตั้งเอาไว้แล้วเราไม่เดินไปเป้าหมายที่ไหนมันจะวิ่งมาหาเราไม่มีเราจะต้องเดินไปหาเป้าที่เราตั้งเอาไว้ความชุกความเจอในชีวิตของเรามเช่นเดียวกันเราตั้งเอาไว้แล้วเราก็เดินไปเดิน <Spanish> เร็วเดินช้าขายับไปเรื่อยมาใกล้มาเรื่อยใกล้มาเรื่อยใกล้อะไรใกล้เป้าที่เราตั้งเอาไว้นั่นแหละ มันจะไปมันจะไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกใกล้เป้านั่นแหละเราอยู่ตรงนี้เราอยู่บนเส้นทางเราอยู่บนสนามฝึกเราอยู่บนกองงานอยู่บนสนามฝึกเราต้องฝึกอยู่บนกองงานเราต้องทำงานถ้าไม่ทำไม่มีเหตุ เมื่อไม่มีเหตุไม่มีกลตามมาไม่มีซบซื่ออยู่ไปทุก ว, วันทุก ว, วันแต่ว่าธรรมชาติมันทำงานมันลงไปลงไปลงไปอันนีจ้จางกระทุกขันมันลงไปลงไปลงไปมม่มีอะไรอีกเท่าเดิมเราก็ดูสิเดี๋ยวก็สว่างอีกแล้วเมืดลงเดี๋ยวก็สว่างแล้วเดี๋ยวรับทายอีกแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้าอีกแล้วเดี๋ยวไทยหนักไทยเบาอีกแล้ว เดี๋ยวขบเดี๋ยวช้านอีกแล้วเดี๋ยวหลับเดี๋ยวนอนอีกแล้วเดี๋ยวสุขอีกแล้วเดี๋ยวทุกอีกแล้วมันจะมีอะไรวันวันหนึ่งร่างกายนี้ถ้าเราดูรักษาอยู่เพื่อดูแลรักษาให้ร่างกายอยู่สุขสบายไปวันวันไม่ให้เกิดคุณงามความดีหัวใจของเรามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากร่างกายนี้จากอัตภาพอันนี้ มื่อเรเลี้ยงงูเห่าเลี้ยงงูเห่าเมื่อโจกเรานั้ได้รับความทุกข์จากมันทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายในร่างกายของเรามีเป็นพิษเป็นภัยท่านจิงให้เราเรียนให้รู้ให้เข้าใจให้ทั้อกตั้งใจกันวิธีการอะไรที่จะเป็นเหตุฝึกฝนอารม์เราก็ฝึกฝนท่องบนบนไหนควรท่องท่องท่องท่อทตั้งความเพียร ตั้งความอดตั้งความทนท่องเรายิ่งท่องมันก็เป็นการฝึกจิตของเราเรายิ่งท่องของมันก็ราฝึกอิอออติปิโสบอกก็ไว้อิมิปิโสดูลืมตาปิดตาปิดลืมตาปิดตาลืมตาปิดตาจากมันไม่เคยจําน่ะแหละเดี๋ยวมันก็จํามันมีสัญญาอยู่แล้วมันเป็นคุณสมบัติของใจ ที่เราไม่เคยจําเราจําได้เนี่ยหลับตาก็ยังเห็นพราอมจําได้ น, นั่นี่คืออะไรคือเหตุเราทําเพื่อให้เกิดความจําได้ดูเมื่ออย่างเพ่งก็เพ่งกสินเพ่งกสินเพ่งไฟอย่างเงี้ยลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาก็เห็นไฟหลับตาก็เห็นไฟทําไมจึงเห็นคือความจํา <c oughs> คือความจำนี่คือคุณสมบัติของจิตมันฝึกได้ทุกคนฝึกได้ฝึกเอาไอ่ท่องเออหงาคอ้มีความขยันจิตของเราฝึกได้เป็นสิ่งอัศจรรย์จิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งอัศ จ, จรรยเ์เป็นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นแก้วสารพัด น, นึกจริง จะรู้ทุกตัวเองอยาตํานิติเตียนตัวเองอย่าไปตำหนึกตําหนิโชควัดสนามของตัวเองทุกคนได้มาเท่ากับเท่ากับที่เราได้นี่แหละอพ่อแม่สร้างให้มาแล้วไม่ใช่เราสร้างนะพ่อแม่สร้างให้เรานะพ่อไม่ให้มาแล้วอให้จิตให้ใจให้สติให้ปัญญาสติปัญญาของเราเนี่ยแหละให้อัตภาพร่างกายเรามาแล้ว มีดูแลรักษาเอาไม่ดูแลรักษาเอามันก็เป็นงูพิษต้องให้อยู่ให้กินต้องรักษาดูแลเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่คือร่างกายพอไม่ให้มาแล้วท่านให้มาแล้วให้ท่านดุ้นนี่แหละเอาไปให้เกิดประโยชน์อยากรู้พ่อดูแม่กบดูตัวนี้ดูอัตภาพร่างกายของเราเนี่ย ไปรอนขออะไรอย่างท่านอีกไม่ต้องอรอนขอสติปัญญามีเป็นของเราท่านให้เรียนร่างมาแล้วฝึกฝนอบรมเอาต้องใจทำเอามีมือมีขามีปากท่องเอามีตีเนเดินยงกลมเอามีมือทำเอาอะไรคือประโยชน์ทำเอาปัดตารปัดเข้าไป ปฏิบัไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยโอ้โเพลินะนะนี่ไปหานึกแต่เรื่องกิเลสตัณหาพาหนึกพาคิดไปนะนึกให้มีสติกากับอยู่กับเนื้อกับตัวพุทโธชัดพุทโธพุทโธกากับดูแลอยู่ในนั้นนะ่ะดูจิริยามันพร้อมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวญญมันยามเกิดฝึกได้ทุกอย่างทุกวิถีทาง มายิ่งฝึกได้ทุกวิธีทางเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นได้ทุกวิธีทางดูแต่รูปรุนไปเลยมันเกิดขึ้นอะไรหกสิบช่องหกสิบช่องช่องที่กิเลมจะเข้ามาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่วิญญาณจักกุโซ โสตขานัสิวหากายะมโนวิญญาเกิดเกิดทงนั้นผัสสะัคคูสัมผัสโสตสัมผัสานสัมผัสิวหาสัมผัสกายะสัมผัสเวทนาเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอัุกรมสุขเวทนา จักคุสัมผัสสัชาวเวทนาจักคุสัมผัสเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเนี่หลักท่านบอกมาแล้วชัดเจนมากเวทนาเวทนาเกิดขึ้นอันนี้เป็นเส้นสายงานของมันถ้าเราดูไปอีกทีมันเป็นสายงานของมันแต่ถ้าเราเอาธรรมะดูเวทนาจักต่ว่าเวทนา ถ้าเราเอากิเลสดูมันดีมันยินดีมันไม่ดีมันยินร้ายมันไม่ชอบดีมันยึดเข้ามาไม่ดีมันถีบออกไปนี่คือคือกิเลสดูแต่ถ้าถ้ถถถถมมาธรรมะดูเห็นจักถาวาเห็นรู้ควาสุขรู้ควาทุกข์แต่ไม่ได้ยึด มาได้ยึดเวทนาว่าเป็นเราไม่ได้ยึดทุกขเวทนาว่าเป็นเราเห็นได้กิริย า, ากา ร, รเข้ามาแสดงปรากฏมันเกิดขึ้นทุกช่องเวทนาสัญญาสัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารยังยังหกยังะหกสิบหมวดสิบหกหกสิบ นี่เป็นช่องเป็นรูที่มันเกิดทั้งนั้นท่านบอกไว้หมดมันพร้อมที่จะเกิดได้ทุกอย่างเรากํากลับมาที่จิต ด, ดวงเดียวอยู่ทั้งหมดอยู่หมัดทั้งหมดทั้งหกสิบอย่างนั่นแหะไล่ให้เรารู้จักเฉยเฉยดอก น, นั้นท่านไล่ให้เรารู้จักเฉยเฉยก็กลับมาที่จิต ด, ดวงเดียวหยุดหมดเพราะจิต ด, ดวงเดียวสแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรา รู้เรามีรูปรู้ว่าเรามีนามมีสำคัญที่สุดพยายามหมุนพยายามพันมาที่นี่นพูดไปตั้งคืนก็ไม่จบเรื่องของธรรมะนี่เป็นการที่สองนะอ้าวยุติแล้ววันนี้เนาะครับ